ลำดับที่หนึ่งคติธรรมกอดฟัง MP3 สแผ่นที่เจบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุนสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธ า, านีคติธรรมแผ่นที่เ6็บกให้คติธรรมหัวขพ่อว่าทาโศปัญ น, นสัต ยศสิทธาโลกแม่คนโง่จะมียศก็ตกเป็นทาตของคนมีปัญญาอันนี้ท่านยกปัญญาเป็นเริ่อถึงคนผู้ใดได้เด่รับยศถาบรรดาศัก์มาถ้าเป็นคนโง่เสยอยา่างก็เป็นทาตของคนมีปัญญาคนมีปัญญาชักจูงไปยังไง คนโง่แล้วก็ไม่มีคนทานที่จะฝืนเข้าไปได้เพราะไรเพราะตัวเองไม่เฉลียวฉลาดคนที่มีปัญญาตล่อมหรือชักจูงคนที่ไม่ฉลาดก็ไปตามคนที่มาเกี้ยกองก็หลงไหลไปตามเพราะไรเพราะตัวเองไม่ฉลาดไม่รอบรู้เพราะนั้นเรื่องปัญญาคํานี้ ใช้ได้หลายๆแนวทางหลายๆอย่างถ้าใช้ไปในทางที่ดีก็ดีเลิศถ้าใช้ไปในทางที่ชั่วก็ชั่วชดแสนจะประมาทเพราะอะไรเพราะคนที่ฉลาดทําความดีก็ทํำได้มากทําความชั่วก็ทํำได้มากแต่โดยมากคนที่มีปัญญาแล้วก็เป็นผู้ออมีน้ําใจ เป็นผู้ํำประกอบแต่คุณงามความดีหาได้ยากมากเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านให้ตรวจตราดู ต, ตนเองที่พูดทางนี้ท้งนั้นให้พวกเรา ท, ทุกทุกท่านโอปัญญิโกให้น้อมเข้ามาหาตัวเองถ้าพวกเรารู้ว่าสิ่งที่มันไม่ดีแล้วพวกเราถือว่าเรามีปัญญาเราอย่าไปทำสิ่งที่มันเสียหาย ให้ประกอบแต่คุณงามความดีการประกอบแต่คุณงามความดีความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราไปอยู่ณสถานที่ใดเวลาใดก็จะมีแต่ความสุขความเย็นใจเพราะนั้นการกล่าวปารกเอ็มทีสแผ่นที่76หก็เห็นว่าสมควรเกณเวลาด้วยอำนาจ สีรัตนกร่พระพุณเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิท์ทั่วสามคนโลกบุญว ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านที่บัตบรบีปฏิวัตชอบมาแล้วขอให้คุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สหงห์ักดับปรารถนาทุกทุกท่าน พวทุกคนด้วยเถิด